จเจริญสุขท่านสาวธุชนผู้มีความสนใจใกล้ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้ในการไขปัญหาธรรมได้มีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบเพราะกับท่านสาวธุชนอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาในข่าวที่แล้วๆมาอจะมาภาพได้ทำหน้าที่ไขรูกเดียวด้หลายครั้งท่างนี้ก็เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประเทศที่มณีพระจานทร์ใหญ่ไปนิปัฒนาธุระมีกิจทางภาษาสนามากเกี่ยวกับการไปเทศสั่งสอนประชาชนต่างจังหวัดกลับมาก็เหนื่อยแล้วก็บางครั้งก็สุขภาพไม่ค่อยดีบ้างเกี่ยวกับการงานในปัณฑานี้ในช่วงนี้ก็เยอะยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาไขาปัญหาแต่ในวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของญาติโยมี คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสมาไขร่วมในวันนี้ซึ่งก็นับว่าท่านก็ได้มีเมตตาที่จะนําธรรมะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะให้ญาติโยมสาวชนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องอย่างแท้จริง จะได้นำท่านสาวุชนให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นประการสําคัญถือว่าสัมมาทิฏฐิคือควาเมเป็นชอบในหลักปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระพุทธเจเ้าได้เทศนาปรสมณะเทศนาทิเทศกับเบญจวัตถีก็พูดถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือพูดก่อนให้เห็นถูกก่อนแล้วมักองต่อต่อไปก็จะถูกไปเองเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเท ศ, ศิติ มื่นนี้พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปสัสนาธุระในวันนี้ท่านก็จะได้ไขได้วิปัชนาได้ไขธรรมะปฏิบัติเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจที่จะฟังประเด็พระคุณหลวงพ่อและรอคอยในการไขปัญหาของประเด็พระคุณหลวงพ่อก็ขอเชิญญาติโยมสาธุชนลงพยายามจ้างจ้างใจฟังด้วยดี เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่การฟังธรรมก่อนที่อาตมาจะถามปัญหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นข อ, ขอเชิญ ญ, ญาโจมสาธุชนพุทธบริษัทพบกับหลวงพ่อก่อนขออธิ น, นามหลพ่อครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายค้ามุ่งหมายของการฟังธรรมะหนึ่งเราฟังเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลสองฟังเพื่อให้เกิดความรู้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสี่ ฟังเพื่อน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติตามและห้าฟังผู้่ออุทิศสุนบุญสุนกุศลให้แก่บุรพชนมีวิดามาดาเป็นต้นการฟังนี้ประพฤติเจ้าถือเป็นหลักสําคัญมากเป็นในพระไตรปดฎกท่านกล่าวทั้งว่าสุตตาวโคภิกเวอริยสาบโกโดยกรภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกถือการฟังนี้เป็นอาวุธกันสําคัญเพราะการฟังนี้ทําให้เรา สิ่งใดที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็อยากเข้าใจชัดแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นผิดให้ถูกต้องได้จิตใจของผู้ฟังก็ผ่องสใสล้วนแต่เป็นประโยชน์ทานั้นทางนั้นการฟังธรรมพระองค์จึงจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งในมงคลสาสิบประการเป็นกาเลนะธรมรมสวานรงเอตัมมังคังมุตตมมัง อันฟังธรรมะตามการทำสมัยเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้เป็นต้นวันนี้ได้ไขปัญหาส อ, ององค์มอบไปตันพกุปหลัตพนมเป็นผู้ถามเป็นผู้อ่ายกปัญหามาถามเพราะว่ามีญาติโยมสงสัยที่ไหนที่ไหนท่านเปนเทศไปสอนแทนอัตมามีปัญหามาขออย่ได้มาถามกันไขกันซะในวันนี้ก็ให้โยมเข้าใจสันตโครครับมีปัญหาอะไรที่ยังตกค้างอยู่ที่ ไปเทศไปสอนตามที่ต่างๆมีคนถามปัญหามาทํามีก็นิมนต์ได้ครับ <c oughs> คือปัญหาที่เก่ากับผมจะนํามาถามพระเด็พระคุณหลวงพ่อก็ปัญหาในวันนี้เป็นปัญหาภาคปฏิบัติครับผมอคือปัญหาเรื่องทองยุบครับผมเก่งไงม <c oughs> ครับเรื่องเรื่องทองยุบนี่มันเป็นปัญหามานานแล้วครับเป็นปัญหามาตั้งแต่พระเด็คุณเริ่มที่ที่จะสอนวิปัสสนาตั้งแต่่เริ่มสอนตั้งแต่ ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหรือเริ่มเข้าปฏิบัติเมื่อครั้งได้ปเปลี่ยนข้าวประโยกโน้นก็แก้ปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังแก้อยู่ยังไม่จบใช่ไหมครับครับคนก็ยังสงสัยกันอยู่อีกครับผมเอาวันนี้ก็มีปัญหาที่ญาติโยมได้ถามมานะครับคือถามมาว่าอ่ากําหนดพองยกนะครับคือกําหนดพองยกเนี่ยมีบางคนบางพวกเห็นว่าเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาอ่าตอนนี้พระเดชพคุณหลวงพ่อจะว่าไงครับ บางพวกเขาเป็นว่าเป็นสมถะ น, น, นะครับผมก็ถามมาสั้นๆอย่างนี้เลยครับเออเขาว่าบางพวกเนี่ยเห็นว่าเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาครับที่กําหนดว่าพองนอ้นอยยกนอ้อยเนี่ยนะครับประเด็๋คุณคขออภรปาแก้ให้เกิดความเข้าใจด้วนะครับอญาตโยมผู้ใจบุญนขลงหลายปัญหาที่ถามว่ากําหนดพองยกไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถะเอออันนี้ก็น่าคิดโยก ยาโจมจะทำอย่างไรจะตอบอย่างไรอ้าวทีนี้ก่อนที่จะตัดสินนี่เราก็ควรจะทราบว่สมัทธกับพิปัส น, นามันต่างกันอย่างไรอถ้าเราทราบอย่างนี้เราก็เขาตอบได้ง่ายสมถะธ์พราะคนเจ้าได้เรียนมาแล้วนะอามีสมถะนี่เอะไรเป็นอารมณ์ครับ เท่าที่ได้เรียนมาก็เอาบรรยัติครับผมบรรยัติบรรยัตินี่มีกี่ข้อที่เป็นสมรติฐเนีก็หมดในการทั้งหมดก็บรรยัตจะมีทั้งสี่สิบข้อใช่ไหมเรียกว่าอารมณ์สี่สิครับอย่างสี่สิบข้อนี่ก็สิบใช่ไหมเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลมใช่ไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงและพองยกเนี่ยมันถูกดินถูกเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไหมเป็นเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลมไหม ามันม่เรียกว่าเพ่งน้ำน้ำก็เอาใส่ขันมาใช่ไหมลมก็ลมพัดต้ตนไม้ใช่ไหมแต่ในที่นี้พองยุคนี่ไม่ได้ไปดูน้ําในขันใช่ไมไม่ไม่ใช่ดูน้ำในขันเอออย่างนี้มันเป็นสมถะได้ไหมมาออกมาเข้ า, ม า, ขามาเข้ากับสินสิตมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าไม่ได้แล้วอ๋อเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าก็ต้องตัดสินอย่างนี้ก่อนอเขาว่ามันเป็นสมถะก็จะเพิ่ปฏิเสธอลองหาดูซิว่าสมถะเอาอะไรเป็นอารมณ์ สมถติมีลมสี่สิบกสินสิบสุภสิบอนุสติสิบพมหันสี่อารูประมตะานสี่อาหาราหนึ่งธาตุสี่หนึ่งทีนี้เราก็ลองตรวจดูสิว่าในจานวนสี่สิบนี้ไล่ตั้งแต่หมวดที่หนึ่งกสินสิบไม่มีใช่ไมฟองยบนี่ไม่วาดไม่ใช่กสินน ะ, ะ, นนะแล้วอสุภสิบป่ะฟองยบนี่อสุภเพราะา ส, ราสักสติตายวันหนึ่งสองวันเหมือนในจา์วรนาโนมีอะไรนะเออไม่ใดีมาเอาตัวเราใช่ไหมเอาสักศพข้างนอกนะ ไม่ใช่ข้างในข้างนอกนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่ถูกแล้วนะอ้าวกสิณศึกก็ไม่ถูกอสุภะศึกก็ไม่ถูกอนุสติล่ะพุทธานุสติธรรมมาสังคาศีลาจารคาเทวตาก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมไม่ับผมไม่มีเลยนะพองยกไม่มีแล้วแล้วพรหมฐานสี่ล่ะเมตตากรุณาเมตตาวิคขาล่ะถูกไหมกําหนดพองยกเนี่ยก็ไม่ถูกครับผมอ้าวอรูปกรรมฐานสี่ล่ะอากาจินวิญญาณิเสัญญาถูกไหมไม่ถูกครับผมสามสิบแปดข้อไม่มีเลยไม่ถูกสักข้อหนึ่งแล้วก็ อาหารปริกูสัญญาอาหารปฏิกูลความเป็นของปฏิกูในอาหารเวลาฉันข้าวโน้นนี่เราก็ไม่ได้ฉันข้าวกำหนดพองยกใช่ไหมโทกไว้เนี่ยไม่ถอีกแล้วนะแ ล, วแล้วก็ธาตุเสียธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ได้กําหนดธาตุใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กำหนดธาตุเออแล้วทําไมจะเป็นสมร tha อ, อ้านี่ข้อแรกนะต<ม> อ, อนที่จะพิจารณาตัดสินเราก็ต้องหาเหตุที่เขาว่ากําหนดพองยกเดี่ยเป็นสมร tha ทีนี้เราก็หาว่าอารมณ์สมรถ h มันมีกี่ยอย่างมีสี่สิบอย่าง สี่สอย่างอะไรบ้างกสินสิบกบ ส, นกบสินก็คือเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงเ้ากำหนดทองยกไม่ถูกสักข้อนึงอ้าวอสุภกรรมาฐานสิบตกสบสักศพติดตายวันหนึ่งสองวันมีเลือดไหลออกบ้างขาดเป็นท่อนเหมือนเานี้มันก็ยังไม่ขาดไม่ได้ไปกำหนดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอี่แล้วอนุสติสิบพุทธโธธรรมโมสังโฆสีลายจารคาเทวตาอุปสมานุสติวรณานุสติสิบข้อมันก็ไม่ถูกอีกแล้ว ได้ไปสามสิบข้อยังไม่ถูกสมมาตรสักนิดเดิงอ้าวพุทธมาหาสี่เมตตากรณานวิตตาวีขาข้อไม่ถูกอีกอรูปกรรมฐานสี่ผู้ที่ได้ปฐมมชานทุยชานเดชานแล้วจึงจะเจริญอรูปก็ไม่ถูกอีกอปปก 4, ็ยังไม่ได้าาาอาหารที่บริโภคก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ถูกจักเข้าในสมมาตรก็จะไม่ถึงข้อหนึ่งก็เป็นไม่ได้แลยนะทีนี้วิปัสนาที่นี่วิปัสนานี่เอาอะไรเป็นอารมณ์ครับาตามธรรมดาก็เอา รูปกับนามครับผมอือเอาคันท่าหรือเอารูปกับนามใช่ไหมครับผมแล้วกําหนดท้องพองยุบนี่ถูกรูปนา้ำไหมครับถูกครับผมตรงไหนมันเป็นรูปก็อาการพองของท้องอาการพองขึ้นยุบลงพองท้องนี่เป็นรูปตรงไหนตรงไหนเป็นนา้ำตรงที่เป็นนามก็คือเอาที่ความรู้สึกคือสุขกระทุกนะครับสุขเวลาท้องพองก็รู้สึกอ่ะสุขบ้างทุกบ้างหรือว่าเฉยบ้างตอนนี้คอ่าอ่างั้นเอาเอาคันท่าก่อน เรากำหนดท้องพองยุบนี้อารมณ์ของวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนาภูมินะที่เราเรียนมาวิปัสนาภูม์ในพระไตรปิฎกปัญจักขันธารูปขันธานี่วิปัสนาภูมิก็คือขันธ์ห้าใช่ไหมครับและท้องพองยุบนี้มันถูกขันธ์ห้าไหมสินะก็ถูกครับตรงไหนเป็นรูปประขันต์การทองของทองและอาการยุบของทองท้องพองท้องยุบอาการโน่นากันแฟงของท้องนี่เป็นรูปประขันได้หนึ่งขันแล้วแล้วและตรงไหนเป็นเวทนาขันอเวทนาก็คือความรู้สึกสุข แล้เฉยวลาเราหายใจเข้าไปถ้าเรารู้สึกสบายมัน ก, ก็เป็นสุขเวทนาใช่ไห ม, มถ้าเรารู้สึกอึดอัดแน่นแน่นเสียดเสียดมนก็เป็นทุกขเวทน า, นทนาถ้าเฉยเฉยก็เป็นอวิคขาเวทนาสุขก็ดีทุกก็ดีเฉยก็ดีเข้าขันไหนเวทนาขันเป็นเวทนาขันได้สองขันเลยใช่ไหมโอ้ปักขันได้แล้วเวทนาขันได้แล้วแล้วก็สัญญาขันเอาตรงไหน จำได้ว่าเนี่ยเนี่ยพองเี่ยุบจำได้ว่านี้มันท้องโนนเนี่คือเขาเรียกว่าพองท้องยุบนี่ยเขาเรียกว่าแฟ่เรียกว่าท้องเหยียวลงไปเขาเรียกว่ายุบผู้ที่จำได้ว่าอันนี้มันยุบอันนี้มันพองนี่เป็นสัญญาขันนะได้สามแล้วได้สามขันแล้วสามขันละขันอยู่ตรงไหนตุ้แต่งให้พองสั้นพองยาวพองมากพองน้อยยุบสั้นยุบยาวอะไรอย่างนี้ครับเออที่แต่งเห็นว่าโอ้นี่พองมากพองน้อยพองสั้นพองยาวหรือพองขึ้นไปมันรู้สึกมัน เียดเชียดก็ไมสบายเลยนี้ก็แต่งทั้งนั้นแต่งใจคนให้รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมนี่เรียกว่าสังขารขันได้สีขันแล้วตรงไหนเป็นวิญญาณครับอตัวรู้ว่ากําลังคลองกําลังรุบใจที่รู้ว่าท้องนูนท้องแฟร์นิกใจนะจิตนะวิญญาณใช่ไหมเออถ้าคนไม่มีวิญญาณก็ไม่รู้เนี่ยตายแล้วเพราะฉนั้นที่รู้นี่คือใจรู้อันนี้เป็นวิญญาณขันเขาผ้าอย่างเงี้ยบขาผ้ารเขาผ้าแล้วเมื่อย่อมันก็เหลือสามโรคขันก็เป็นรูปเวทนาขันปัญญาขันสังขารขันก็เป็นนามเป็นเจิดสิก วิญญาณเออเป็นนามเป็นจิตเมื่อย่อให้สั้นก็เหลือสองรูกปกับนามรูปคงไว้นามจิตจะสิกนามจิตย่อเขาเป็นหนึ่งเขเรียกว่า น, นามขึ้นแล้วรูป ก, กับนามนี่คือรงวิปัสนาใช่ไหมแล้วกำหนดพองน้องนี่ถูกไหมถูกรูปถูกนามไหมเออนี่อย่างเนี้ปัญหาที่เขาตัดสินนี่ที่เขาถามมาเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นวิปัสนามันไม่ใช่เป็นสมถะแต่นี้ถ้จะตอบอย่างนักปฏิบัติก็ตอบว่าเป็นสมถะด้วยเป็นวิปัสนาด้วย นะถ้าจะตอบอย่างนักปฏิบัติจริงๆอ่ะกําหนดท้องคองที่หนีเป็นธรรมถะไหยเป็นและเป็นวิปัรนาไหมเป็นเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสมรรถะเป็นทั้งวิปัสนาด้วยที่ชัดที่สุดถ้าจะตอบตามหลักวิชาก็ไม่ใช่วิสมรรถะไม่มีเลยแต่ถ้าตอบในแนวปฏิบัติจริงๆแล้วกะตอบได้กําหนดท้องคองที่หนีถูกทั้งสมรรถะถูกทั้งวิปัสนาทําไมจึงว่าอย่างนั้นเอาอะไรเป็นหลักตรรศิน ก็ตอบว่าเวลากำหนดพองเ น, ยนอยุคหนอนี่เราดําเนินตามมักแปดใช่ไหมครับนะครับผมเนี่ยมักแปดก็สัมมาทิพย์ปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ท้องพองท้องยุกนี่เป็นทุกขสัจรหรือสมุทัยสัาท้องสองท้องยุกก็เป็นทุกขสัจนี่เป็นตัวทุกขสัจแล้วก็ตัณหาขอนให้ท้องพองนี่เป็นสมุทัยใช่ไหม แล้วสติที่กำหนดพองน้อยอยู่เนี่ยเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมเป็นมรรคสัตว์ขนาดที่กำหนดพองน้อพร้อมโดองศาสกิเลสขาดไปถึงกิตชาติเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมอั้นสติกำหนดพองน้อยุบเนี่ยก็คืออริยสัตว์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคแในมรรคแเมื่อย่อเลยเหลือสมสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบนี่เป็นปัญญาสัมมาวิจาวิจาชอบสัมมากรรมตัวการงานชอบสัมมาโชวเป็นอยู่ชอบอันนี้เป็นสี่ สัมมาวายโมเพียงชอบสัมมาสติเพียชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบอันนี้เป็นสมาธิแล้วก็สัมมาวยโมเพียงชอบสัมมาสติเพียชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสมาธิใช่ไมเป็สมาธิสมนี่เป็นสมถะใช่ไหมเป็นสมถะเออนีแหละเห็นไหมในมรรคแปดมันก็ยังมีสมถะอยู่ที่ไหนที่จะไม่ถูกสมถะไม่มีเลยถ้าตอบอย่างสภาวะนะถ้าตอบอย่างนักปริยัตก็ปอกกับกำหนดพองน้อยยุกน้อยนี่เป็นวิปัสสนา ไม่ใช่สมถะเพราะไม่ใช่อารมณ์สมถะเป็นอารมณ์วิปัสนาคือกันธ์ห้าถ้าจะตอบอย่างสภาวะธรรมในแนวปฏิบัติจริงๆแล้วการกำหนดพ้องน้อยเมียน้อยนียนย่เป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเพราะแยกกันไม่ออกทำไมจึงแยกไม่ออกเพราะการกำหนดของคงยุคนี้ดำเนินตามมักแปดมักแปดเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกไอ้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้ ก็แยกเป็นสองคือเป็นทั้งสมถะนิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสินชอบดังนี้ชอบนี้คือตัววิปัสนาแท้ๆสัมมาวจาสัมมันโตสัมอาอจโวนี้เป็นศีลสัมมาวายโมเพียงชอบสัมมาสติชอบสัมมาสมิธตั้งใชอบนี้เป็นสมถะเพราะฉะนั้นจะตอบอย่างนักปฏิบัติจริงๆแล้วการกำหนดของคลองยกนี้เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสนาเพราะแยกกันไม่ออก สมถะอยู่ที่ไหนวิปัสนาก็อยู่ที่นั้นหรวิปัสนาอยู่ที่ไหนสมถะก็อยู่ที่นั่นอันนี้ค่ะถึงแนวปฏิบัติครับพอนนี้พูดแต่พวกคุณก็พูดตามทางท้ายกลางใช่ครับใช่ครัตามทางสายกลางแล้วก็ต้องการอยู่ที่มรรคใช่มครับใช่มรรคก็อยู่ที่ขันห้าคือต้องต้องอยู่ที่ขันห้าใช่ไหมครัครับอ่าคือต้องการที่ว่าต้องมีมีขันห้าเป็นอารมณ์ใช่เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยคือสมถะก็ต้องทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัมมาสมาธิครับใช่ถ้าทิ้ อ่ามันขาดาม ส, าสมาธิมัดก็ไม่ไม่เกิดพร้อมกันเกิดไม่ได้ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เขาถามเนี่ถ้าจะตอบจริงจริงว่าเป็นสมัติการพัฒนามรรคตรูกแต่ไม่ใช่เป็นสมถติอย่เดียวเป็นนิพพานาด้วยเนี่ยต้องตอบอย่างนั้นจริงจะหมดสภาวะของปัญหานะแต่เขาถามว่าเอ้ยาการก้มลดค้องน้อยยบดน้อยนี่เป็นสมถะใช่ตอบเลยแต่ไม่ใช่เป็นสมถตมันเป็นนิพพานาด้วยเพราะเหตุไรก็เพราะสมัตก็มีนิพพานาก็มีแต่ถ้าตอบว่าเป็นสมถตอย่างเดียวผิด ในห้าคะแนนไม่เต็มสิต้องสอบเป็นได้ทางสมถะเป็นได้ทางวิปัสสนาถึงจะถูกร้อยเปเนหรือถูกสิบคะแนนครับหรือเป็นสมถะในวิปัสสนาเป็นสมาธิของวิปัสสนาใช่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิแบบสมถะกรรมฐานได้ต้องนะครับไม่ใช่สมถะกรรมฐานล้วนมันเป็นบาทที่จะให้ได้วิปัสสนาพูดง่ายๆนะหรือเรียกว่าสมาธิในวิปัสสนาอย่างที่ฝึคุณเจ้าว่าเพราะมันจะต้องเอาสมาธิเป็นบาทปัญญาเนี่ยทิ้งไม่ได้ เม่ทิ้งไม่ได้ก็บอกว่าไม่ถูกสมถะมันก็ไม่ได้มันถูกแน่แต่ว่าไม่ได้มุ่งหมายสมถะในที่นี้อมาเรามุ่งไปวิปัสสนาแต่ก็ต้องอาศัยซึ่งการใดกันทิ้งกันไม่ได้ครับผมอรียกยืด ก, การเจริญอวิปัสสนากรรมฐานแบบพองน้อยย่อมนอเนี่ยครับคือ<ม>เราไม่ได้มุ่งเพื่อจะให้ได้ฌานใช่ไหมครับใช่การเจริญสมถะกรรมฐานก็มุ่งเพื่อจะให้ได้ฌานนะครับถูกแล้วคือการเจริญสมถะมุ่งจะให้ได้ฌานแม้ถึงยังมาต่อวิปัสสนาทีหลัง แต่ของเรานี้เรามุ่งเอาวิปัสสนาแต่สมถะก็ต้องเป็นคู่กันไปด้วยเพราะมันทิ้งกันไม่ได้ถ้าทิ้งก็ไม่ถึงเพราะถ้าทิ้งมันมักแปดก็ไม่ครบเห็นไหมมักแปดมันก็ขาดไปสิเมื่อขาดแล้วก็ไม่จะมักแปดแล้วที่เนี่ยผมคว่าจะประหารกิเลสได้ก็ต้องอาศัยสมถะด้วยต้องอาศัยด้วยเพราะไม่มีสมถะการประหารกิเลสก็ไม่เป็นสมุทเทสัจใช่ใช่ถูกแล้วครับเพราะท่านบุปมาไว้เหมือนอย่างนี้ไอ้พวกปัญญานี่เหมือนกับเกลียวที่จะตัดต้นข้าว เมื่อเวลาชาวนาเขาเกี่ยวข้าวไอพวกสมถะนี่มันเหมือนกันกับมือที่ดึงต้นข้าวไว้จะพอขาไว้แน่นมันเติมส่วนเที่ยวเน่เหมือนตัวปัญญานั่น่ะมันจะตัดแคบมันก็ขาดเลยมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันอ่าดังนั้นที่การจะเรียนพอน้อยยกนอนเนี่ยเราไม่ได้เพ่งเพื่อให้จิตสงบ จนเป็นอัปนาสมาธิอย่างเดียวนะครับใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องดูอันไหนสั้นอันไหนยาวดูสภาวะอันไหนปรากฏ่านอันไหนไม่ปรากฏท่านนะครับครับใจที่รู้ว่าพองเป็นใจที่รู้ว่ายุบเป็นใจเดียวก็ใจที่ก็เพื่อแยกรูกแยกนามแล้วใช่หมครับอันนี้มันก็ไม่ใช่สมานิถูกแล้วครับก็ลอบอยู่แล้วครับพระเดชคุณหลวงพ่อใช่เพราะนั้นก็แต่มันมีสมาธิเมนการก็เพื่อจะเอาไว้เป็นบาตรของการดูดูสภาวะให้ชัดเพราะว่าไม่มีสมาธิใจมันก็อื ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าอโหหาริธคือจะพูดไม่ได้ว่ามันเป็นสมถะเพราะเราไม่มุ่งเอาสมถะไม่ได้มุ่งเอาฌานเรามุ่งเอาวิปัสนาคือปัญญาเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นสมถะแต่พูดตามหลักเขาเรียกว่าอโพหาริธมีอยู่แต่บอกไม่ได้เพราะไม่ได้มุ่งจะเอาฌานแต่สมถะจริงๆต้องการให้ได้ฌานแต่ในที่นี้ต้องการเป็นวิปัสนามุ่งเอาวิปัสนาแล้วสมาธิของสมถะเขาต้องใช้อุปจารกับอัปนา แต่อันนี้มันใช้แค่คณิกะสมาธิเท่านั้นในบาลีก็บอกว่านาฮิคณิกะสมาธิงวินาวิปัตนาสัมควรติวิปัตนาเทเวนคณิกะสมาธิเสร็จแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิในที่นี้ก็แค่คณิกะสมาธิแต่ส่วนสมถะเขาต้องใช้อุปจารกัปน า, าจะหาเวลาว่างเอาเอาสมถะนี่นะครับ <c oughs> จะไว่าเวามหน่อยอ ย, อ ย, อยังต่อได้ไหมครับใช่ใ เป็นสตินมาเลยได้ใช่ไหกแล้วหรือว่าอนาปาสตินเนี่ยสตินปั้นจัมมชฌาเลยครับใช่แล้วมันต้องมาว่าพองหน่อยอยู่หน้อยแล้วมันเสียเวลาทําไมครัดูลงให้ใจครับอันนี้ได้ได้สตินปั้นจัมมชฌาแล้ก็ได้เร็วด้วยครับ่ก็เพ่งกับสตินสิบสตินใดสตินหนึ่งอันนี้ก็เพื่อจะให้ได้ปั้นจัมมัชฌาเร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าการเพ่งทองการเพ่งยุบเนี่ยทำไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ฌานครับเพราะไม่ได้มุ่งเอาฌานแต่เรามุ่งเอาปัญญาใช่ไหมครับพัะครูนลวพ่อครับวันนั้นเราจึงดูการกัลลดทองกัหลดเนาะทองเนาะยุบเนอะทองเนายุบเนอเนี่ยดูทองทองทองยุบอยู่เรื่อยๆครับต้องใช้ความปัธัญญะอยู่เรื่อยถ้าหาว่าสมาธิมันมากไปหน่อยมันมากไปมันจะเงียบซะอันนี้เราก็ต้องถอดลงมาถอออกมาซะเนี่ย ก็เห็นเห็นอยู่แล้วครับที่หลวงพ่อครับคือเราไม่ได้มุ่งเพื่อที่จะเอาฌานหรือว่าเอาสมาธิตอนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิแต่เรามุ่งเอาวิปัสสนาญาณหรือวีกว่ามุ่งให้ถึงญาติภพก็เลยครับแต่คนโดยมากคนที่สงสัยนี่ไม่ใช่นักปฏิบัติครับเป็นแต่เพียงปริยัตแต่ปริยัติก็ไม่ค่อยเข้าใจดีนักงูป่าหราออะไรอย่างนั้นครับ แต่นรื่องอะไรก็ต้อง อ, อ้าววิจารณาต่อไปผู้เจ้ามีปัญหาอะไรอีกไหมใช่ครับผมอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วครับผม<ช>ก็หวังว่าท่านผู้ถามญาติโยมสาธุชนมีความสนใจในคําว่าฟองหนอยุบหนอในข้อนี้ได้ยินในฟางก็เด็กพระคุณหลวงพ่อได้แก้ไขได้อ ไ, ได้ไขปัญหาในข้อนี้ไปก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจดี ในข้อต่อไปครับคือการกําหนดทอง huh? ยุบเนี่ยครับดูในบัชญาไหนนะครับเพราะว่าคาว่าบัพญะเนี่หมายถึงอะไรบวชหมวดใช่ไหมครับในปัจจุบจับบน น, นี้การกําหนดทองของยุบน้องทองหล่อจุ๋มห่ที่สอนสอนกันอยู่นะครับครับในปัจจุบันนี้ที่คนะห้ามหาธาตุก็สอนอยู่เนี่ยมันอยู่ในบรัชญะไหนครับผมเป็นรัพญะในมหาสติ ป, ปัฏฐานเนี่ยเขามีถึงหกปรัชญาเฉพาะกายนะกายานุปัสนาเนีมีมีถึงหกปัพญะหนึ่งอาณาปนาปรัชญา ว่าโดยการกําหนดลมเข้าลมออกสองอิรยาบถปัปพร ะ, ะว่าโดยการกําหนดอิรยาบทใหญ่สสัมปชัญญะปัปพระว่าโดยการกำหนดอิรยาบท ย, ย่ญญญะะ อ, ยทยอยปตปฏิกูลปัปพระว่าโดยการกําหนดความเป็นของปิตุคุณในร่างกายห้าธาตุปัปพระว่าโดยกําหนดธาตุทั้งสีในร่างกายหนวสีวติกาปัปพระว่าโดยปลายชักเก้าในร่างกายของเหล่านี้แต่้นปัญหาที่ถามนี้แหะมันอยู่ในปัปพะไหนที่กําหนดท้องของรุ่นึ่งนี่แหละสำคัญนะ เพราะโดยมากคนน่ะไปเข้าใจน้อยไปอ า, อาณาปนาปภ ะ, ะขลับอยู่ในอาณาปนาปภะเพราะในอาณาปนาปภ ะ, ะนิ่แบ่งเป็นแปดหมวดคนส่วนมากจะเห็นหมวดเดียวครับเพราะว่าในแปดหมวดนี้มันอยู่ในวิสุทธิมรรคมันเป็นหลักถูปประโยคแดกับประโยกเก้าโดยมากคนดูไม่ค่อยถึงเมื่อดูไม่ค่อยถึงก็ไปดูแค่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ีเขาก็ไม่เอามาแจกให้เห็น ่ไปดูแค่นั้นแคก็เลยไปยืดจิตเฉพาะอนาปนัตต้องเอาลมเข้าลมออกอย่างเดียวก็เลยไปจิตอยู่แค่นี้จริงๆนะอานากายอานาปานัปภะท่านแบ่งเป็นแปดในครับหนึ่งหนึ่งคันนาไนวิทธีนับลมครับขึ้นเราหายใจเข้าไปหายใจออกมานับเป็นหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นสองหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นสามหายใจเข้าออกนับเป็นสี หายใจเข้าไหนออกนับเป็นห้าเมื่อครบห้าเรตั้งต้นใหม่หนึ 6, ่งถึงหกหนึ 9, ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิเป็นแล้วตั้งต้นใหม่หนึ 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่งถึงห้าหกเจ็ดแ้าสอยู่อย่างนี้จนใจสงบอันในนี้เป็นสมถะต้องการให้ได้ฌานในที่สองอนุพันธนาในติดตามลมอแล้วเวลาหายใจเข้าไปต้นลมมันอยู่ที่ริมจมูกกลางลมอยู่หวัวใจปลายลมอยู่สะดือ เราหายจะออกต้นลมจะสดุดร่างลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่ริมจมูกในนี้เป็นสมถะเขาเรียกว่าอนุพันธนานานายัยติดตามลมไว้สามตอนอ่าในนี้ก็ต้องการให้ได้ทานไม่ใช่วิปัสนาแต่ในที่สามภูสนานานัยอันนี้วิธีกําหนดที่ลมกระทบอ่ในนี้เลยเรียกว่าที่กําหนดท้องของยุ่ะคือภูสนานายัยเวลาเราหายใจเข้าไปลมมันกระทบพื้นดานท้องของเราลมก็เป็นรูปหยัยก เรียกว่ามหาปุตตรูปลมนี้ก็เป็นรูปท้องของลมมันก็เป็นรูปเมื่อมันกระทบกันรูปต่อรูปก็กระทบกันมันก็โหนออกมาอันนี้ขันท่ากิดในเนื้นเป็นวิ ป, ปัสนาเพราะฉะนั้นถามว่าพองยุกอยู่ในปัฏภะไหนก็ตอบไปอยู่ในอาณาปานปะะัฏภะเพราะในอาณาปานปัภ ะ, ะท่านแบ่งเป็น88ดหมวดด้วยกันแต่ว่าคนส่วนมากจะเห็นหมวดเดียวไม่ค่อยมีความรู้กว้างขวา ง, วางเนื่องจากไม่ได้อ่านหนังสือมากก็ไปจําเฉพาะในมหาสเศรษฐฐาน ที่ท่านแย่ท่านแย่ออกไปไม่ค่อยได้ดูในอัตรายาในดีกาเป็นยงไงก็ไปยืดก็ตายขาเดียวเชียว่าพนอกจากอื่นแล้วหินพองยุบมันไม่เข้าวัดพระไหนไม่ได้ก็เลยไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยเพราะไม่รู้มันมีกี่อย่างก็ไปยืนก็ตายขาเดียวเอาเฉพาะวัดพองยุมันต้องกำหนดลมเข้าลงออกอย่างเดียวไปนึ่งเพียงเท่านั้นพระตัวหินเท่านั้นเนี่ยปัญหามันจึงเกิดครับถ้าคนที่ไม่มาดูบททั้งแปดในแล้วปัญหานี้มันก็หายสงสัยมันคล้ายๆอย่างนี้ครับอย่างเช่นว่า ธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจอถ้าเราฟังเพยงตอนนี้เราสอบอยากไม่รู้อะไรมันเกิดกับใจเออธรรมอารมณอารมณ์ที่เกิดกับใจเพราะว่าไปฟเพยงตอนนี้จะไม่รู้อะไรแต่ถ้าเราไปดูในพระอภิธรรมปริเขตสามท่านแยกรายละเอียดธรรมอารมณอารมณ์ที่เกิดกับใจถ้าถามว่าเป็นโรปหรือเป็นนามสอบอยาก <c oughs> ถ้าหากไม่ไปดูในปริเขตที่สามสมมติจะถามปัญหาว่าไอ้ธรรมอารมณ์เป็นรูปหรือเป็นนาม ผู้ท er mm ี่ไม่เขียนจัดในธรรมะดูหน so, so so ัง <tahun> สือน th ้อยขอดตอบยากอาจจะตอบเป็นนามอย่างเดียวเพราะอารมณ์ที่เกิดเข้าใจมันก็คือนามมันคิดได้เนี่ยเนีนี้ถ้าผู้ที่ดูหนังสือมากเห็นมากไม่ถูกเสริดแล้วพระธรรมลมอารมณ์ที่เกิดเข้าใจมันมี h o a อภิธรรมบริชทธิสสามว่าไว้แล้วนี่ภาษาทะลุถูกคุมรูปจิตเิสิบรญญัินิพพานนี้เรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจภาษาทรลุถูกคุมรูปเป็นรูปจิตเป็นนามจศรษิสิบเป็นนามนิพพานเป็นนาม อย่างนี้ก็ตอบได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังแต่ว่าลมเข้าลมออกก็เลยนึกถึงแต่ลมอื่ น, นๆก็ไม่เอาแล้วพอเขาไปว่าพองน้อยอยุ่หนอะเขาก็เลยสงสัยไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนาดูให้ชัดเราจะเป็นอย่างนี้ก็ตอบง่ายขำหรับตัเข้าใจแต่แล้วว่าพองน้อยเอนาะมาจากไหนปัจ ะ, ะไหนก็อานาปนาปะะัจะไม่เห็นมี ม, มีมันมีแปดในในที่หนึ่งคณนานาในวิธีนับลมอยู่เป็นสมมติฐา ในที่สองอนุพันธนาในติดตามลมนี่เป็นสมถะในที่สามผู้สนานในวิธีกําหนดที่ลมกระทบในนี้แหละเป็นวิปัสนาในนี้แหละที่นิยมปฏิบัติกันแพร่หลายอยู่ในทุกวันนี้โดยแต่การกำหนดท้องเพราะโดยภาวนาพองหนอยยุบเนอในที่สี่ทปนาในวิธีตั้งใจไยกําหนดไปแห้มั่นในนี้ก็เป็นวิปัสนาในที่หสันลัคนาในวิธีกําหนดขันห้าอันนี้ก็เป็นวิปัสนา ที่หกวิวัฒนาในาที่เจ็ดปริปตินในที่แปดเตียงปริปัตนาในาทั้งแปดในนี้สองในข้างต้นสองหมวดข้างต้นเป็นสมถะตั้งแต่หมวดที่สามจนถึงหมวดที่แปดเป็นวิปัปนาในาถ้าเราเข้าใจนี้ปัญหาความมีมรรนิพพัตต์หมวดเวลาจริงนะอาะทชันสาทุกคนผู้ใจบุ่หลายรายการไขปัญหาวันนี้ไขข้อปฏิบัติจะมีคนคล้องใจสงสยัยเพราะ ไปไหนเจ้งของมีคนถามอีกคนว่าแล้วก็บางคนก็เข้าใจไม่ถึงด้วยทั้งที่กาหนดพองน้อยอยุน้อยไปแล้วก็มีบางพวกเพราะเขาทักว่าเป็นสมถะชักเกอร์กันแล้วนึกว่าเออจริงสินั่นคือปริยัตอ่อนไปน้อยเรียนไปน้อยไปก็เลยไม่รู้สึไไกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสงสัยคองใจจะถามอย่างนี้ดีแล้วอย่างที่โยมถามมา น, นี้ก็ขอบใจของโมทนาญาติโยมผู้ใจบุญถลายาศาสนานี่สําคัญมาก เราต้องเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริ ง, รงผลจริงจะเกิดแต่ยินแต่เขาว่าเฉยๆเราเองไม่เข้าใจมันก็เป็นถหตให้ปฏิบัติเิ็ดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลักสูตรประโยคสีหรือในมงคลจติปณีท่านแสดงไว้ว่าโนเกอตะส ก, กาพุทธิยุณโยวาสุสิคิโตวันเน อ, อันธมรมหิโสวจาิยะพงโคชนโ หากว่าความรู้ของเราไม่มีจอไม่สามารถจะตัดสินไดน้โนเกออส ก, กาพุท ธ, ธิหากว่าความรู้ของตัวไม่มีฮินยโยวาสุสิกิโตข้อระเบียบธรรมอินัยที่ศึกษาละเอียดมาแล้วไม่มีเราก็ตัดสินไม่ได้เมื่อตัดสินไม่ได้การประพฤติปฏิบัติเป็นไงวเนอันธรรมะฮิสวะจะระยะอโอโกชนโนคนเป็นจํานวนมากจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติเหมือนกับกระ บ, บือตาบอด เดินทางไปในป่าเหยียบน้ำบังบางเหยียบทางบ้างลองฟังโดยโทีพระองค์ทําไมว่าไว้หนักก็เพราะความเข้าใจขาดเคลื่อนคือเข้าใจไม่ถูกคือเข้าใจไม่ถูกกเพราะเราไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะไปนึกไปเดาเอาไม่ได้เพราะหลักฐานที่ผลของธรนมนี้ที่จะมีจะต้องอาศัยหนึ่งปริยัตคือตัวคือคําสอนของเจ้าสิกเขียนไว้เป็นตัวหนังสอือเมื่อมีปริยัตก็ต้องมีปฏิบัติสองอันมีคู่กัน เรียกว่าอัตตะคือความหมายพยัญชนะคือหนังสือสองอ น, นิจจมเป็นที่สุดในการ้อยแผ่ศาสนาดังนั้นของน้อยยุบน้อยจึงมีที่ไปที่มาอยู่ในที่สุดที่มัรงดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอน่าปัญหาของน้อยยุบน้อยมาจากปัฏฐะไหนก็คงจะหายสงสัยของใจแล้วถ้ายังมาหายสงสัยก็ถามมาได้ขอขอบใจแต่ขอหมดธนาต่อท่านผู้ดิ สามปัญหามาณโอกาสนี้ด้วยในที่สุดนี้เพราะนาทุ น, นบชีระดมระดับใจจนได้ปกป้องราาอักษาญาติโยมผู้ใจบุญถลายให้ประกันอยู่เย็นเป็นศกปราศจา ก, กโรคโศกโรคภัยอั น, นึ่งวันที่สิบของเดือนนี้คือเดือนกันยายนนี้บ้านพลอากาศาโทวัชรินทร์สุลกบจัดให้มีการสอนกรรมฐ า, านลูกสิทธ์ลูกหาที่เคยไปโปรดอย่าลืมมีเสียนไว้ฝึกันลืมนะพอจวนแล้ว ไม่ทลายก็จะถึงแล้วเ อ, อ่มโอกาสที่จะเตือนได้อีกเปนขอให้มีความสุขสวบดีแก่ทุกท่านที่สนใจในธรรมะขันสาตุชนผู้สนใจให้ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้การไขปัญหาในหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกว่าระหนึ่งทุกครั้งอตาตมามอบให้เ่็นภูปรัพนมปัจจายานโอเป็นผู้ไขแทนเรื่อยมา ญาติโยมก็อาจจะนึกว่าธรมะหายไปไหนเพราะภารกิจมันหลายถึงหลายอย่างธรรมาก็ต้องรับภาระเมื่อรับภาระก็เวลาก็ไม่ค่อยมีเมไม่ค่อยมีไปทําอย่างอื่นใช่ไหมเหือนจวนๆ จ, จ, จะถึงวันแล้วก็อัดเทีวก็ไม่ค่อยทันกับมอบให้สันประโกว่าองค์เดียวแต่วันนี้ได้โอกาสดีธรรมาก็มาไขแทนมาไขช่วงกับสันประคก้ด้วยสันปวะโก้ครับมีปัญหาอะไรคือตกข้างต่อไปอีกก็นิมนต์ถามได้เลยครับครับผม กรเดินสุกท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริีัดทั้งหลายรายการไขปัญหาในวันนี้ก็จะได้เอาธรรมะท่าปฏิบัติหรือปัสนาตรรฐานหรือสมถะธรรมฐานเนี่ยมาไขให้กับท่านสาธุชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้ว <c oughs> เพราะว่ามีบางท่านยังมีข้อข้องใจสงสัยในเรื่องว่าพ้องน้อยูุหเนอเป็นสมถะ ห, หรือว่าเป็นนิปัชนาดางที่ ท่านสาวผชมได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ไขามาแล้วเมื่อวานนี้คือวันศุกร์เมื่อวานนี้อ่าว่าเป็นสมถะบ้างเป็นนิบาสนาบ้างและจะได้ถามปัญหาว่าพองหนอยุกหนอเนี่ยอยู่ในแบบไหนก็จะถามว่าพองหนอยุกหนอเนี่ยมันเป็นสมถะจะเอาให้เป็นสมถะให้ได้เพราะว่าพองหนอยุกหนออยู่ในใจญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐ า, านานาปานะบพะ อนาปานะปะา้าการกําหนดเราให้ใจเข้าให้ใจออกมันก็เป็นสมถาะาจะให้เป็นสมถะให้ได้รู้สึกว่าท่านพระวิชน บ, บางพวกนี้จะรังเกียดสมถะเลื่อเกินแต่ความจริงแล้วสมถาะานี่ก็เป็นของดีสมถะธรรมฐ า, านยังไม่ใช่ของเลวร้วายเดียขอให้เราปฏิบัติได้เถอะเป็นกุศลอ่ากุศลที่สูงกว่ามหากุศลเรื่อยตามไป เพราะว่ารูปราวจรานกุศลเนี่ยสมถาะาเนี่ยเป็นเหตุไม่ได้รูปราวจรานกุศลอะรูปาวจานกุศลคือสูงกว่ามหาวุโลณไปพรมไปอรุโภคพรหมโน้นทานอาจารย์ไม่เห็นนิพพานไปทรหมไปอรปวโภคพมเนี่ยมันดูป่าไปอบายภูมิตั้งหลายร้อยหลายพันเท่านะเพราะฉะนั้นสมถะสมถ า, า, า, า, า, าเนี่เป็นของดีขอให้เราทำให้ได้เถอะกลัวจะไม่ได้เท่านั้นเองสมถะเนี่ย หว่าพูดอีกคำธรรมฐานหรือพูดอีกคำวิปัสสนากรรมฐานนี่เหมือนกันทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขอให้เราเห็นิพพานได้จริงๆอันนี้ก็เป็นของวิเศษการทำธรรมฐานรรมฐานขอให้เราไปครอมไาเรายังไม่ปราถนานิพพานเรายังไม่ปราถนาพริพานเรายังไม่ไม่ไม่อยากที่จะดับหมดยังจะเกิดอีกอย่างเนี้ยแตอนนี้เราทำธรรมถะกรรมฐานคือก็ไปเสลวย ความสุขในพรหมอันนี้ก็เป็นของดีก็พรหมเวรก็มีความสุขที่ละเอียดอย่งเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะพรหมเนี่ยก็มีความสุขเป็นความสุขที่รองลงมาจากพระนิพพานแล้วถ้ารายังไม่ได้อั น, นิพพานสุขแต่ถ้าเราได้เนวะสัญญาณาสัญญายตาตนะสุขเนี่ยก็เป็นสุขที่เลิศซึ่งเป็นสุขที่รองมาจากพรนิพานแล้วเพราะนั้นาการปฏิบัติสมถะธรมรมฐานเนี่ยขอให้ได้ให้สมเหตุผลของการ จเจริญสมถะจริงๆเลยท่านรับเบือ่อเบื่อจากการเรียนไหว้ตายเกิดแล้วเราจะหมุนมาปฏิบัติพิปัสฉนาก็มายากแล้วเพราะว่าจิตขบลิวอนไม่ได้แล้วปฏิบัติพิปัจฉนาธรรมฐานก็ได้ง่ายเพราะนั้นท่านสาวรุ่นพุทธบุตร ท, ที่ยังมีความสงสัยในคําว่าสมถะหรือว่าไม่ไม่ชอบในคำว่าสมถะสมถะอะไรอย่างนี้เนะี่ยขอให้จง ทำความนให้ถูกต้องด้วยสมถะเป็นของที่สําคัญมากอืถ้าเราไม่มีสมถะก็จะมีวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าสมถะเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้ให้เกิดวิปัสสนาอเป็นปัจจัยให้เกิดบัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดหรือปัสสนาญาณสมาธิณตัสสาปัทฐานาเนี่ยบัญญาจะเกิดได้ก็เพราะต้องอาศัยสมาธิท่านจึงกล่าวว่าสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนา แต่ตเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ลิขิตาสมาธิ่ะท่านสาวทุกชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะได้นำเอาปัญหาของญาติโยมที่มีความสงสัยมาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้แก้ไขในเรื่องการปฏิบัติต่อไปอะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจา้าพระพมวันนี้ก็ได้นําเอาปัญหาของญาติโยมต่างท่านที่เขียนมาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องการใายใจ่นใจครับ ว่ากายเยกายานุปัสสีกายเยกายานุปัสสีเนี่ยแปลว่าเห็นกายเห็นกายในใจหมายความว่าอย่างไรถามอาจาร่อจะมีคำเสียรับเห็นกายในใจเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับอืถก็มีปัญหาคือมีคนเขาถกเถียงธรรมะกันคนหนึ่งฟังๆเขาเถียงธรรมะกันเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่ากายเยมีหมายถึง ถึ ร, รู่างกายแล้วตายานุปสีไมายเอาส่วนย่อยคนหนึ่งว่างนี้ที่คนนึงบอกไม่ใช่กายเย่กับไมเอารูปตายานุปศีไม้เอานาำนี่เขาทุกเสียงกันครับถ้ากินคล้ายๆกันอย่างนี้แหละแต่ต่อมาก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นทีนี้เขาก็มาปรึกษาคนหนึ่งนี้ผมตอบเพราะว่ามันตายเย่กับไมเอารูปตายานุปศีไม้เอาน้ำเขาก็ขัดคอเขาค้านผมว่าไม่ถูกที่ถูกมันตายเย่กับไมเอาร่างกายไมเอาร่างกายทั้งหมด กายานุปปสิสัตว์หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายเขาอย่างนี้ผพราะมัสงสัยเขานั่นนะมันก็คล้ายๆกับปัญหาที่ถามวันข้อนี้แหละอยนี้คําว่าเห็นกายใช่ไหมมีสรีอยู่ว่ากายเยกายานุปปสีวิหรติมีปกติเห็นซึ่งกายในกายอยูและวังจะต่อไปยังมีอัจตริยังว่ากายเยกายานุปปถิวิหรติมีปกติเห็นซึ่งกายในกายเป็นภายใน ยังไม่ ป, าาานป้นิทธาวาคายละเอียญญาบที่ยังีมีปกติเห็นซึ่งกายในกายเป็นภนายนอกยังมีอัจฉริยะปรหิทธาวากายละเอียญญาบที่ยังีมีปกติเห็นซึ่งกายในกายเป็นภนายในเป็นภายนอกคือโดยแทรเขาอที่สองสามทันเขมีนี่ถามมาเ่อะๆก่อนแต่เราขออธิบายหมดนะเอาละปัญหาข้อนี้ว่าเห็นกายในกายเห็นกายในกายนี่เราจะมาตีความหมายเอาเพราะเราก็ไม่ได้ดีนักแต่อัตตกถาทึ้นแจ้ไว้ชัดเจนแจ่มแ จ, จ้งก็แล คำว่ากายกายานุปสือมีปกติเห็นเส้นกายคำว่าเห็นเส้นกายในทีน่นี้หมายเอาส่วนย่อยสลับหมายเอาส่วนย่อยเข้าสิ่นกําหนดเช่นกําหนดพองเน้อยุกหนอก็เห็นอาการนูนและอาการยุกของท้องนั่นเองอันนี้เรียกว่ากายานุปสือเห็นเส้นกายก็เอาส่วนวย่อยๆกาหนดตรงไหนก็เอาตรงนั้นแต่คําว่ากายเนหมายเอาร่างกายทั้งหมด เห็นซึ่งกายในกายหม่ก็มันเห็นส่วนย่อยแต่มันอยู่ในร่างกายทั้งหมดกายยตัวต้นหม้เอาร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็กทีเดียวแหละเปลืกายานกกระสือไม้เอาส่วนย่อยๆที่ตนกงหนดกงหนดตรงไหน่ะกงหนด้องพงยุก็เอาตรงนั้นกงหนดขวายางสายยางก็เอาตรงที่ขวาย่างสายยางนั่นแหละอันนี้เรียกว่ากายเห็นกายและก็ในกาย เห็นกายไในแก่เห um ็นส่วนย่อยเท่าที่ตนกำหนดเห็นกำหนดพองกำหนดยุบก่อนเห็นอาการนูนและอาการยุบของพองนั่นเองส่วนในกายไม่แช่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าที่นี้เป็นภายในได้แช่อัตภาพของตัวเองร่างกายของตัวเองมีเห็นกายในกายเป็นภายในนี่จะว่าเห็นกายในกายเป็นภายนอกเห็นกายข้อแรกได้แก่เห็นกายส่วนย่อยของคนอืิน โดยอนุมานว่าของเราอะฉันใดเขาก็ฉันนั้นเห็นกายในกายก็ได้จะร่างกายทั้งหมดของคนอื่นรวมทั้งสามสิบอภูมิด้วยเห็นกายนอกเนี่เห็นภายนอกใกล้ใกล้นอกจับ ก, กายของเราหมายเอากายของคนอื่นทั้งหมดในสามสิบเอ็ภูมิเพื่อเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกก็ได้เป็นเห็นกายของตัวเองทั้งส่วนย่อยทั้งส่วนรวม เห็นตายของคนอื่นทั้งส่วนย่อยทั้งส่วนรวมดังที่กล่าวมาแล้วนี่ขลับครับครับผมก็คือว่าเห็นตาเห็นตายในตายนี่ก็ต้องเแยกว่ากายเยกายานุปัตติกายเยที่หลวงพ่อว่าก็หมายถึงที่เรากําหนดตั้งใจที่จะลงมาถึงตายเท้าใช่ไหมครับอับที่ว่ายืนเนาะยืนเนานั่นแหละนั่นแหละหมายหมดเลยนี่ที่ก่อนที่จะเดินขณะไครับกอนที่จะเดินตรงกลมเราก็กําหนดยืนขึ้ก่อนใช่ใช่ใแล้วก็กําหนดว่ายืนเนอะ คือ น, นอเอาสติสตั้งไว้ที่ร่างกายทั้งหมดใช่ใชไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ล้วก็สายเวีมหาหมดเลยนี่ครับครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็ เดินนะครับขายาหนอแต่นี่เป็นกายานะครับอนี่กายานุปัตติเลยเนี่ยเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนขาด้วยครับจำรถเฉพาะเท้าเท่านั้นไม่ได้เอาถึงหัวถึงนั่นเลยไม่ได้กำหนดหัวาครับเวลาเท้าไปมีหัวเข้าไปด้วยใช่เวลาเท้าไปแขนก็ไปด้วยแต่ไม่ได้กำหดหัวกำหดแขนครัแต่กำหดขาอย่างเดียวใช่อย่างนี้เป็นกายานะครับครับพัดนะับผมอันนี้ว่าเห็นกายในกายนะครับอืมอันนี้ภายในก็หมายถึงเห็นภายในตัวเราเองครับ ใช่เนอะหมายถึงขอคนอื่นใช่ครับผมเพื่อท่าของเราชัดแหะคนอื่นเหมือนกันท่านุูปปลาหมืามนน้ำทะเลเมืองน้ำทะเลเมืองไทยมันก็เ็มเมืองจีนก็เทมเมืองอังกฤษทอนแลนด์เป็นเรนบราซิลอเมริกาเขมมือนหมุดนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาปากไปชินเมืองอเมริกาหรอกก็ชิมเมืองไทยมันก็เหมือนกันหมดอ่ใช่ใช่ใช่ตาตบบ่เมืเห็นว่าสมงามท่าน้อมมาสู่ตนเองตนนี้ตนเองก็เห็นว่ามันก็เหมือนกันเนี้ยมอัไครับใช่ ผมเรื่อว่าดูภายนอกก็ได้ดูภายในก็ได้นะครับ<ช>ก็เป็นเปใจใจเยใจยาหรือปักสียงเหมือนกันเป็นใจใหมืใใในใจเหมือนกันนะครับคร<ช>ัแต <ๆ S 2> ่ท <ๆ S 2> ี น, นี้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นนั้นว่าเข้าใจเลยครับอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ข้อต่อไปอ่าผู้ถามได้ถามว่ากำหนดทางตาทางหูอ่กำหนดทางตาว่าเห็นหนอเห็นหนอ กำหนดทาโอว่าได้ยินน้องได้ยินน้อนั้นกำหนดอะไรถามมาอย่างนี้เราเคยคุณพ่อเขาน้าถามหน้าคิดอยู่นะกําหนดอะไรเออด้วนๆอย่างนี้กำหนดอะไรแต่ถามกาตำรวจกาหนดตามันก็ก็เขาจะยากสิเขากําหนดโอ้เขาก็เขาจะยากสีนะเพราะฉั้นปัญหานี่ต้องย้อนถามครับพระพุทธเจ้าวิธีตอบปัญหาท่านเรียกว่าปฏิปุตษษาต้องย้อนถามซะก่อนปัญหานี่จริงจะขาวจริงจะชัด ทีนี้ก็ต้องถามว่าเอาสุภคุณเจ้าถามแทนตอบแทนโยมอขณะที่ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยังครับขันห้าเกิดครับผมหมูได้ยินเสียงครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยังขันหาเกิดครับจมูกได้กลิ่ครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยังขันห้าเกิดลิ้นได้รสครั้งห น, งน <S 1> <S 1> ึ่งขันห้าเกิดหรือยังขันห้าเกิดตายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งครั้งหนึ่งขันห้าเิหรือยังเกิดแล้วครับเกิดแล้วนะเอาพระคุณเจ้าลองแสดงสิ ขณะที่นั่งอยู่ในห้องเทพเนี่พระคุณเจ้าเห็นฝากาแพงขฝาห้องไหมขันห้เยยาเกลือเไยอ่ะตรงไหนเป็นรูป ต, ต, ตาจับจับข้างฝานี่เป็นรูปตากับสีข้างฝานี่นเป็นรูปใช่ไหมตรงไหนเป็นเนวทนาเวทานากันตัวที่รู้สึกน ะ, ะเวลาเห็นก็รู้สึกเฉยๆเลยว่าระ น, นี่พระคุณเจ้าธที่พระคุณเจ้าเห็นนี่มันก็เฉยๆใช่ไหมนี่เป็นรูปเวขาเวทนาใช่ไหมเป็นรูปเวขาเเป็นขันไหน เ, เ, เออตากับสีเป็นรู ป, ปรขันไดขนนไันหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วรู้สึกเฉยๆเป็นอุปถัมเวทนาไดขันหนึ่งแล้วและตรงนี้เป็นสัญญาจํา ไ, ได้วันนี้เป็นฝาของห้องใช่ไหมนี่เป็นสัญญาขันและตรงนี้เป็นพังขันการตกแต่งให้ให้ชอบไม่ชอบไอเห็นว่าไอสีของฝาของห้องมันดีไหมดีสวยไหมสวยงามมงใช่ไหมนี่เป็นทั้งขันตรงนี้เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเห็นไม่เป็นวิญญาณนะ ถ้าพระคนเจ้าเห็นรูปครั้งหนึ่งคันห้าเกิหรือยังก็เกิดนะครับผมเออคันห้าเกิแล้วได้ยินเสียงครั้งหนึ่งคันห้าเกยหรือยังเอาตรงไหนเป็นรูปหูกับเสียงนะครับเสก็หูเป็นรูปเมื่อได้ยินเสียงแล้วสบายใจคันไม่เกิดสบายใจเข้าเวทนาคันนะเข้าเข้าเวทเป็นเวทนาคันนะทําไม่สบายล่ะไม่สบายก็เป็นเวทนามใช่นเฉยเฉยเฉยล่ะเะนั้นว่า สบายไม่สบายเถอก็เป็นเวทนาขันนะแล้วจาได้มีเป็นเสียงพระเทศในขันไหนเป็นสัมยาแต่ไงว่าเทศดีเทศไม่ดีในขันไห น, นสังขารที่ได้ยินในขันไหนเป็นมีญาเขาผ้า ข, ข, ขันเลยใช่ไหมเขาผ้า ข, ข, ข, ขและวิ ป, ปัสนาอาอะไรเป็นอารมณ์เออเอาขันผ้าเป็นอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกําหนดเห็นหนอะนี่กำหนดอะไรขันผ้าใช่ไหมน่นเลยครับขาใช่ไหมปัญหาอย่างนี้ต้องถามกลับว่าถ้าเขาถามเราว่าไอ้กําหนด ถ้าเห็นหนอเนี่ยกำหนดอะไรเราก็ตอบง่ายๆถ้าตอบตรงตปับก็ตอบเลยว่ากำหนดขันท่าแต่ที่นี่ถ้าจะให้ปัญหามันขาวก็ต้องย้อนถามซะก่อนนะสมมติว่ามีนายคอมาถามมาถามอย่างพระคุณเจ้าแต่พระคุณเจ้าจะให้เขาตอบให้เขาปัญหามันขาวพระคุณเจ้าก็ถามข่าวพยโยมตาเห็นโรคขั้งหนึ่งขันท่าเกิดอะไะเกิดแล้วตรงไหนเป็นโรคก็ไล่ไปแล้ววิปัสนาเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาขันท่าอ่ะ เมื่อตายเนรูปครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วนี่อารมณ์วิปัสานาเกิดอะไอย่างเกิดแล้วเมื่อาากําหนดเห็นห น, น่อชื่อว่ากํนนาหนดอะไรกำหนดขันห้าเมือ่อแยกเลยคือรูป ก, กับนามอันนี้หมดแล้อย่างครับปัญหาเนี่ยเข้าใจแล้วนะ อ, อ, อืมเพราไม่มีคนถามก็บางคนอาจจะตอบไม่ได้เออไม่เคยคิดถ้าถามว่าเอ๊ที่กําหนดเห็นหน่อ น, นี่กําหนดอะไรถ้าเขบอกว่าจะคุป萨สเนี่ยอันนี้มันก็ยังแคบไปต้องตอบง่ายง่ว่ากําหนดขันห้า เขาถามว่าเพราะเหตุใดก็เพราะตาเห็นรูปทั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วและขันห้าก็เป็นอารมณ์เขาวิปัสนาวิปัสนาประจงยึดขันห้าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นกําหนดทางตาเคยกาหนดขันห้าทางหูก็กําหนดขันห้าทางจมูกก็กำหนดขันห้าทางลิ้นก็กําหนดขันห้าทางกายก็กำหนดขันห้าแม้ทางใจก็กําหนดขันห้าเหมือนกันครับผมครับแล้วก็นี้ก็ ก่ผมก็เข้าใจนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็หวังว่าจะท่านสาวผูจนหรือว่าเจ้าของปัญหาของผมจะเข้าใจด้วยครับแต่บางท่านก็ยังมีคามเข้าใจอย่างนี้ครับมันยัมีความสงสัยอย่างนี้อีกครับคุณอผมอคือว่าที่เรากําหนดว่าาเห็นหนอเห็นหนอหรือว่าได้ยินหนอได้ยินหนอครับอืมัมนจะเจอปัญญาได้ยังไงครับต้องถามซะก่อนว่าปัญญาจะเอาปัญญาขั้นไหนล่ะนะปัญญานั้นมีสามขั้นหรือนี้ถ้าหากว่าตัวต่อตัวมาถามเราต้องถามอย่างนี้ว่า ปัญญาขั้นไหนอปัญญามีกี่ขั้นเราต้องถามกราบปัญญามีสามขั้นหนึ่งสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญเกิดจากการภาวนานี่สุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเช่นอย่างเราฟังพระธรรมเทศนาเห็นขั้งหนึ่งขั้นห้าเกิดแล้วถือกับตาเป็นรูป เมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเป็นเวทนาจําได้เป็นสัญญาแต่ในเห็นว่าถือคือเห็นอีกดีก็ไม่ดีเป็นสังขารพูดถือเห็นเป็นวิญญาณเราจําไว้เวลาใครถามพับกระสอบได้ตาเห็นครั้งหนึ่งเห็นโูกครั้งหนึ่งขณะก็ยังเกิแล้วตรงไหนเป็นโูกเป็นนามต่อไปพับไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าสุดตามย์ปัญญาเป็นปัญญาเหมือนกันที่เราจําได้ฟังแล้วจําได้ทีนี้กินตาเมย์ปัญญาไปคิดขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ย สมมติเสียงพระพันว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเมื่อพระพันหยุดเสียงก็หายเมื่อเสียงหายเสียงมันเป็นขันธะอนิจจังก็เกิดในะสิ้นไปแล้วทุกขังทนอยู่ไม่ได้ก็มีแล้วอนิจ ต, ตาบังคับไม่ได้ก็มีแล้วอ๋อนี่ยนาะได้ยินเสียงครั้งหนึ่งมันมีอนิจจังทุกขังตาไปด้วยหูจมูกได้ยินครั้งหนึ่งก็เหมือนกันอย่างนี้ลิ้นได้รสครั้งหนึ่งก็เหมือนกันอย่างนี้ กายถูกต้องจยนว้อนอ่อนแขงก็งมืมม้นกันอยนี่มันมีเกิดมีดับนี้เกิดมีดับอยู่เรื่ออันนี้จังทุกขังตามมีย <Maybe. S 1> มอยู่เรื่อยอย่างนี้เนาะเมื่อเป็นนั่งคิพิจารณาอัน mm. นี้เป็นกิณตามายปัญญาเป็นปัญญาเหมือนกันเราเรียกว่าวิปัสสนุกคือมเนกปัญญาส่วนปัญญาที่ต้องการขั้นที่สามเขาเรียกภาวนามายปัญญ า, mm. าคือปัญญาคั้นนี้คิดไม่ได้จําไม่ได้เกิดเองแท้อต้องการขั้นนี้ครับ เพราะฉะนั้นปัญญานี่จะเอาปัญญาขั้นไหนต้องถามเสียก่อนว่าเกิดปัญญาได้อย่างไรนี่ปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาไว้ปัญญาคิดไม่ได้ถ้าคิดถ้าไปจำก็เป็นสุตตมัยยปัญญาถ้าไปคิดอย่างเมื่อกี้นี่ก็เป็นสิตรร น, นตามัยรรยะปัญญาแต่ภาวนาวคิดไม่ได้มีหน้านะที่กำหนดไ ด, นนไดนน้เห็นเนาหรือเห็นเนอะเห็นเนาะจนกว่ารูปนามเขาจะดับเขาจะขาดให้ดูถึงตรงที่รูปนามมันขาดนั่นแหละครับเลยนั่นตีเลยสุตตมัยปรรยปัญญาตี เลยจินตามยะปัญญาปี่จินตาจะแค่ยานสาตัวนี้มันเป็นยานที่สี่ยานที่สี่รูปนามเกิดกับเพราะเมื่อกำหนดไปมันจะเห็นสังกติขาดรูปนามดับเมื่อรูปนามดับสิเลมันก็จึงจะขาดได้ะลอต้องการเห็นอันนี้ต่างห้กเห็นปัญญาขั้นที่3เพราะปัญญาขั้นนี้คิดไม่ได้จําไม่ได้ถ้าใครไปคิดมันก็เป็นจินตาเยนิยานสามเป็นอย่างสูงถ้าใครไปจําก็เป็นศุตตามายะปัญญายังไม่เกิดยานเลยจํา ไ, จได้เฉยๆสิเลมันก็ยังเต็มอยู่ แต่พอเห็นยานที่สี่ในสิทธิ์กิเลขาดเห็นผุดไปรับชัดแล้วกําหนดเห็นนอเห็นน้อ น, นี่แหละเมื่อถึงยานสี่มันจะขาะมดมุดคนนั้นจะเห็นตกใจเลยเรียกว่าสันสัตติขาดเราต้องการแยกสันสติสันสัตติยาวิโคปิตายะเมื่อเผยสันสัตติจะได้อนิจจังคุขังอนันตาเขาปรากฏตามความจริงถ้าถึงตรงนี้เรียกว่ายาณที่สี่เมื่อยานที่สี่แล้วอุทยับสีญาเห็นด้วยปัญญาขั้นทิน ตคือสุตตะก็ดีกินตาก็ดีอันนั้นไม่ใช่ภาวนามยะปรรยัญญาเป็นกินตามยะปรรยัญญาไม่ต้องมานั่งหลับตาก็คิดเอาได้แต่ขั้นภาวนามยะปัญญานี้เป็นยานที่สี่เรียกว่าอุทยับเทยยานถ้าใครถึงยานนี้แล้วโวพระพุทธเจ้าเสนอเสริญมากในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่ิห้าในธรรมบทก็เป็นภาคสิ่พระองค์ตรัสไว้ว่าโยจะวัตสตังเทวอปตังอุทยัทย เอกหังชีวิตตังุโยป ต, ติสตุเขยับเทียงผู้ใดเห็นรูปพิณามเกิดกับอย่างนี้ผู้นั้นตายเช่นในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นซึ่อองมีชีวิตอยู่ตัร้อยสีนี่แหละขลับต้องการปัญญาขันนี้ขลับครั บ, บผมปัญญาบรรลุถึงสขั้นเลยนะครับใช่ใช่และคนเข้าไปเข้าใจนะครับเข้าไปเข้าใจปัญญาขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองที่พระเดชคุณว่ามาที่นี้นะครับคือปัญญาขั้นที่สามเนี่ยโดยมากเรายังไม่ถึงใช่ไหมครับ หรือว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมยังไม่เข้าใจแค่เพียงนี้ครับไปเข้าใจไอ้ปัญญาที่เราเข้าใจกันว่าอาจะต้องนึกคิดจริงๆนึกคิดมากๆใช่ใ่มีมีคนเป็นปัญญาที่พระเจ้าคุณเคยว่าอะไรปัญญาหาข้าวคืนใช่ใช่มีคนเคยถามเขาบอกเออพระพุทธเจ้านี่ท่านต้องคิดไม่เฉล่ออาัติยตังสยานต้องไปนึกถึงอดีตอนาคตต้องนึกถึงอนาคตนี่มันจึงจะเกิดปัญญาเนี่ยในนี้ก็มีบางคนนักเข้าใจอย่างนั้น อันเรามานั่งกนดเห็นหนอเลื่อได้ยินหนอพองหน อ, อยุ่หนอมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรนะว่านี่นะเขาก็ย้อนถามโยมจะเอาปัญญาขั้นไหนละ่ะแต่เอาปัญญาขั้นจําปัญญาขั้นคิดนี่จะไม่ต้องมานั่งแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านใช้กินตาท่านใชยอานาคตังสายานอาตีตังสายานอท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสหมดแล้วท่านจะใช้อดีตอนาคตได้ทั้งนั้นอืมเพราะท่านไม่ต้องการละกิเลสต้องการจะดูสัมรพสัตว์ต้องการจะแก้อารมณ์ของสรมรพสัตว์ฉา ย, ยานอย่างนั้น นักปฏิบัติมีกิเลสไม่ยังเต็มกระบงอยู่พรงันจะต้องเอากิเลสออกถึงต้องการให้ในปัจจุบันต่างหากะลับไปคิดก็เป็นอดีตพระองค์ห้ามตีตังนั้นว่าขมยะอย่ารูปน้ำที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เพราะมันเสร็จดับไปแล้วนักปฏิบัติเช่นนักตังอย่ารูปน้ำเป็นนาคตมันเป็นอารมณ์เพราะยังไม่เกิดปัจจุบันังจะโยธรรมังตทาสถาอิปัสสติต้องให้ได้ปัจจุบันธรรมจึงจะรู้แจ่งตลอดมักผลนิพผานในที่นั้นนั่นได้นักปฏิบัติต้องเห็นอย่างนี้ อันนั้นเขาพูดจรจ่างฉันเป็นจรจ่าแล้วฉันใายอดีตอนาคตได้ทั้งนั้นอดี๋ยวเอามาพลนกันโยบนะเข้าใจอย่างนี้แหละพนึกว่าเอ๊ะทำไมคิดมันจะเกิดปัญญายอย่างไรเนี่ยไปเข้าใจา ง, ง่ายๆแล้วว่าปัญญามีกี่ขั้นจะเอาขั้นไหนถ้าต้องการคั้นจาไม่ต้องมานั่งหลับตาไปดูเพกาะอดีตกจำให้มันมากแต่ต้องการคิดไม่ต้องมานั่งหลับตานอนเมือเ่อไห่ในภา ค, คิดเอาท้องวันก็ได้แค่นี้เราต้องการภาวนาคิดไม่ได้ถ้าคิดมันก็ตกเป็นหมดแล้วเนะอันนี้ต้องการปัญญา ปัจจุบันอนี้ต่างหากนี่คนยังเข้าใจค่อยเสยเยอะขนาดนี้ oh. มันคือโดยมากไปเอาปัญญาของตัวเองซะทีนี้เมื่อภาวนาเราไม่เคยถึงเนี่ยไม่ไม่ไมไมต้อคิดก็ไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดมันเหมือนอย่างนี้ถึงใครเขาเจะว่าเห็นรูกน้ําเกิดดับพวกเรนี่ก็สงสัยนี่มันเกิดดับได้ยังไงนี่เป็นกำหนดเห็นเนาะเนี่ยมันเกิดดับมันจะเกิดดับได้ยังไงเห็นมาก็ยังเห็นอยู่โดยมากฟังคิดอย่างนี้ คือแท้ฐานะปฏิบัติถึงยานที่สี่แล้วมันดับให้เห็นจริงๆชัดจริงๆหายสงสัยคล่องใจเลยนี่พูดทำไมถึงมันก็เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนอย่างท่านเล่านิทานไว้นี่คนหนึ่งตาบอดจะเกิดพอเกิดมากระตาบอดเลยตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาบอดมาตลอดมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปไถนาในพวกชาวนาไปเกี่ยวข้าวสำหรับลงแขกข้าวในนามันเหลืองแล้วก็บอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบ้านมาช่วยเกี่ยวข้าวเลี้ยงกัน วันนั้นอ่ะเขาก็ขึ้นจากนามาตอนเย็นเขาก็มาทานข้าวคุยตานบอกแม่วันนี้ไปนานกย่างฝง่นหนึ่งโอ้เยอะมันมาหากินเปล่าอย่านั้นไอ้คนตาบอดก็ไม่เคยเห็นนกกระยางก็ถามว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างไรอ้าวมันก็ตัวขาวๆอย่างไรล่ะขาวเหมือนอะไรเหมือนนุ่นอ้านุ่นเหมือนอะไรเหมือนสำรีจำรีเหมือนอะไรเหมือนผ้าขาวผ้าขาวอะไรเหมือนกระดาษกระดาษเหมือนอะไรเหมือนท้องฟ้าไล่ไปเท่าไรมันก็ไม่รู้เพราะมันก็ไม่เคยเห็นนี่นี่แหละ คนที่ภาวนาไม่เจอปัญญาไม่เกิดมันเหมือนอย่างนี้ครับ<ช>จะว่าไปเท่าไหร่ตอนไั้นมันก็ไม่เห็นไม่เห็นก็สงสัยรครับทำ<น>ไมถึงไม่เกิดปัญญาเลยใทำไมถึงไม่สมองไม่ ใ, จจนใสาาานะ<ช>ครับสายตาเป็นอานี้ครับคิดไม่ตึงอะไรอย่างนี้นะครับ<ช>คือคนเราเข้าใจว่าการทำวิ ป, ปัสสนาแล้วจะคิดตึงลุกโปงอะไรหมดปัญญาท่านนี้มันเป็นติณตาครับปัญญาปัญญาที่จะนี่มันเป็นปัญญาขับไล่ทิเลสครับอย่างพระลาหนเนี่ยดูที่ลองนึกถึงพระ ายาเิลินผู้ทุชนแท้ๆใช่ไหมพระอรหันต์สองหมืนสู้พรยามมลินไม่ได้เห็นไหมล่ะเพราะพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีหน้นาที่ที่จะไปเรียนพกระไตรปิฎกท่านมีหน้าที่เอากิเลสออกเอากิเลสของท่านหมดแต่ที่นี้ปัญญานี่ยมันต้องเรียนต้องจำถ้าเอาปัญญาอย่างนี้นะปัญญาขับไล่กิเลสของท่านมีมากกว่าจะมีเรื่อหลายหมื่นหลายแสนเท่าแต่ปัญญาจําเข้ากตรปิฎกท่านไม่ได้เรียนท่านไม่ได้จำหร <ไป S 1> อกเราจะเอาควาปัญญาที่ อาประหัตหารีุเลนะครับใช่หรือทำลายกุเลนะครับให้ให้เห็นแจ้งอริยสัจสครับปัญญาอันใดถ้ายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจสี่จะือว่าเป็นอาวิปัตนาปัญญาไม่ได้นะครับครับไม่ได้ครับจะต้องเป็นปัญญาที่ถือว่าเห็นแจ้งอริยสัจสีนะครับแต่ถ้าพูดตามกวมจริงพระคุณเจ้าขอพูดถูกแล้วนะขอเสริมอีกนิดหนึ่งที่ว่าปัญญาที่จะเป็นปัญญาจริงๆนั้นในที่สุดที่มักนะท่านเอาว่าหนึ่งสัญญาใช่ไหมสองวิญญาณสามปัญญาเนี่ยไอ้สัญญาไอ้ สัญญาวิญญาณปัญญาไอ้ที่เราจำได้เรามาเทศมาสอนกันนี้ชื่กว่าสัญญานะเอาแค่จำเท่านั้นนะแต่ท่านยังไม่ถือเป็นตัวปัญญาเราไม่สมมติว่าเป็นปัญญาถ้าว่าตำหลักจริงๆเปล่าที่เรามาเทศเรามาสอนกันนี้มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสัญญาจำมาต่างหากแล้วก็วิญญาณเท่านั้นสองอันเท่าเนี้ย่แต่เราก็มานึกกันว่าโอ้ยีปัญญาโยนี้ถ้าว่าตำหลักจริงๆเปล่าที่เอามาเทศที่มาสอนกันนี้มันจำตำรามาบางทีก็เปิดพระกระดิ่ดอกบาที ออกเอการก็เอาหนังสือมาอ่านว่าอะก็ยังนีแม่นี่าไม่ได้ของซื้อมาอ่านกันนว่าปัญญาซื้อด้วยแต่ถ้าว่าตามหลักในจิตจิตมรรคทันเวีสัญญากับนวิญญาณเท่านั้นท่านอุปมาไว้สัญญาก็เหมือนเด็กยังไม่เรียนสาเห็นก็รู้แต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเห็นธนบัตรมหรู้ขอไปทําอะไรตัววิญญาณก็รู้ว่านี่เป็นเงินเอาไปซื้อของได้ แต่ไมารู้มันเกลือมันปลอมแต่ตัวปัญญาีจริงๆนะต้องเห็นอริยสัจี่อย่างพรคุณเจ้าว่านั่นแหละคือปัญญาในพระศาสนาแท้หมายตรงนั้นครับ อ, อครับผมอันนี้แหละที่จะเน้กว่าปัญญ า, าแท้เนะี่ยตอนนี้เรากำหนดทองน้อยยุกหนอะเราต้องการอย่างนี้เสมอครับใช่ต้องการปัญญาแท้ที่พระเดชพระคุณบ้างเมื่อกี้นี้อืมต้องการเห็นอริยสัจสี่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้การไขปัญหาหนักไปในภาคปฏิบัติเพราะมีปัญหาที่คนถามมาแต่ก็น่าชิดปริยัตย์มีมากแล้ว อาตมาทั้งสองจะเน้นหนักไปในภาคปฏิบัติอาชีพต่างหาของเราคบชาติของเราจะน้อยลงก็ต้องอาศัยการปฏิบัติแม้ในชาตินี้เราปฏิบัติแล้วยังไม่สามารถจะได้บรรลุผลผลิพานขึ้นเคยเจริญกรรมฐานมาตั้งแต่อายุเกิดขวเป็นหนึ่งยี่บห้าปีก็ยังไม่ได้มักไม่ได้ผลก็ อ, อย่าประมาทนะยาเจ้าเมยมันเป็นบุญของเราแล้วท่านกล่าวว่ามันจะเป็นปัใจจัยให้เราได้ในมัดจิมวัยตั้งแต่อายุ ยี่สิบหกถึงห้าสิบปีอาจจะได้สําเร็จมรรคผลนิพพานในตอนนี้ทําไปเถอะถ้ายังไม่ได้อยู่ก็อย่าทอดผอยทําต่อไปอีกอาจจะได้ในปัจจุมาไวตั้งแต่ห้าสิบอ็ดถึงเจ็สิบห้าปีน่ายังไม่ได้อยู่ก็ให้ทํำไปนี่จนกว่าจะตายจะได้มรณะสมัยยในสมัยจะตายนั่นแหละแล้วอาจจะได้ก็ได้ถ้ายังไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะไม่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดิงหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นแล้วจะได้สําเร็จมรรคผลนิพพานบนสวรรค์โ น, น, น้น ถายังสิดพบติดท่าดูฉันได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพรพุทธศาสนาสําเสมอทไวที่สุดขึ้นอย่างพาหิยะพาลุกิริยะพอได้ยินคําว่าได้ยินหนาออะก็หรือได้ยินหนอก็สามารถจะกําหนดสําเร็จเป็นพลังหันได้เนมนน้อยเอามีดโคนหัวพอโคนผมไปได้นิดนึงก็เป็นพระโสดาโคลนไปได้อีกเป็นชาจิตาโคนได้อีกเป็นอาสาโคนเสร็จเป็นพลังหันได้นี่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างนี้เราจริงจ็นต้องฝึกซ้อมปฏิบัติไป จะเพื่อตีตนคอนไขว่าสมัยนี้มาคนในพานใหม่มีแล้วแตอย่าไปพลิอย่างนั้นทําไปเถอะเป็นบุญของเราแท้ๆที่ได้เกิดมาพบภพบพุทธศาสตรสนาในชาติเนึง่งอาตมภาพสาองสองได้ไขปัญหาให้ญาติโยมฟังวันนี้ก็สมควรแต่าการเรียแล้วขอจิตติไว้เพียงเท่านี้โดยอํานาจคุณบระกิรัยานต์ไตรอธิัยบุญิเชศและบุญกุศลสมบัติอนวัตถกิจญาติโยมได้บ่มเพนมานี้จงได้เป็นตบะดิชาปกป้องรักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทลายอยู่เย็นเป็นสุกหายทุกข์หายโศกหาโรคหายภัย จะเิศในอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดขั้น็นิดด้วยกันทุกท่านเทิน